รู้รอดโกรธมหาส ม, มุทรก็ได้ถ้าว่ามันมีพระพุทธศาสนาเดีวยวก็ยังจะยัดเยียดอยู่ในวัตถุสองสามเนี่ยกูเป็นเวรมึงมงกูเป็นเป็นเวรกูอยู่นี่ละอา้าวมีพระพุทธศาสนาเสียงเดียวถึงพระ น, นิพพาน น, นอกนั้นนี่ยไม่ต้องเอ่ยเลยละอย่างสูงกว่ามโลกหรื อ, อารู ป, ประรมธาต น, น เหลือเ น, นั้นก็ลงมาแยกเลือกกันอีกในมนุษย์บ้างในพัฒนาสาบ้างในโลกบ้างผู้เรือกใส่พะพุธศาสนาจะม่น้อยสักเพียงไหก็ตามก็เพราะเป็นธรมรมดาอยู่เองผู้บุญว่าศาสานาไม่ใช่ว่าคนยังไงก็จะมาเลือกใสหมดเพราะพุทธศาสนาเป็นของสูง คนไม่สมฐานะพระพุทธศาสนาจะมาเริ่มใช้ทําไหมนั่นมันก็บรรดานอยู่อย่างนั้นแหะคนคนสมฐานะพระพุทธศาสนจาจึงจะเริ่มใช้ได้นั่นนั่นนนคิดเอานี่ยก็พอแล้วเนี่ยเช่นมันล่องอยู่นีนะ่มันก็ไม่รู้อีนี่อะไรค ท, ที่จะเจียดอยู่นี่มันไม่รู้เราพูดอะไรหรอก กกรรมของเขาเขาจะอยู่ตามกรรมของเขาเนี่ไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติกี่ครับกี่การแล้วเขาจึงจะมาหมุนเวียนมามนุษย์มนุษย์เนี่ยนั่นนั่นเหตุเช่นั้นจึงมีพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ขาดยุคขาดตอนมีสัตว์ประจําโลกอยู่ไม่ขาดตอนตามไรก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ตามนั้นพระพุทธเจ้าเขามากกว่าร้อยโกรดจะมาข้างหน้าเขามากกว่าร้อยโกรดลวกไปแล้วก็มากกว่าร้อยโกรดอาสงไขเอาสงไข่ไอ้ข่ำ จะกลับชั่ววงไปก็ยังอสศงไขยแล้วแต่ละกลับแล้กลับก็มีพระพุทธเจ้า ก, กับภาพระองค์มากสี่พระองค์ม่าสามพระองค์มากแต่ละกลับละกลับแต่ก็าอสศงไขยอสศงกับอาศงไขอสศงไขไขกลับจะมีพระพุทธเจ้าสีพระองค์และจะมีพระโสดาบันเท่าไรและจะมีสักราคาเมีเท่าไรและจะมีอานาคาเมียเท่าไรและจะมีพระทหารเท่าไรก็นับมไม่ร้อยสิบละนะทีนี้พวกที่ยังเหลือพวกที่ยังเหลือจะมีเท่าไร ก็นับไปไว้ อ, ก อ, อ, อ, อ, อีกอ่ะอนผมไดัตรนีหยเม่ได้ขาวนน่าโดยบเวลาใสบาไงรวงหลายหลายคนที่เกียนหายพวกเกียนหาเป็นเรื่องของคน ก, ก, กระายพวกที่ถือสุดงมีหลายจาพวกพวกที่ถื้อสุดงมีหลายจาพวกในภาษไตรปิฎกบอกหนึ่ง ถือธูปดวงเพื่อเพื่อเอาเกียบอันนั้นก็ม่มีอา น, นิสงส์มากสองถือธูดงเพื่ออยากจะให้เขาเลือกใสอันนั้นอา น, นิสงส์ก็ไม่มากสามถือธูปดงเพื่อจะไปสวรรค์เพื่ออยากจะเป็นมนุษย์ต่อไปอีกอันนั้นอา น, นิสงส์ก็มม่มาก ถือสุดดงเพื่ออยากจะไปสวรรค์อันนั้นก็อันนิสงไม่มากถือุดดวงเพื่อจะไปพมทธโลกอันนั้นก็อันนิสงไม่มากถืสุดดวงเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดมรรคผลในผานอันนั้นอันนิสงมากการทําบุญก็เหมือนกันทํารื่อื่นก็เหมือนกันพูดอันนี้แล้เก็แด้หมดการทําอันออื่นก็เหมือนกันให้ทานเพื่อตอบแทนให้ทานเพื่อไปสวรรค์ ให้ทานเพื่อแก้ลำคาญให้ทานจามบ๊วยนี่ถ้าเราให้ทานก็เกงว่ามีไม่ไม่ใครจะให้ก็ไม่ได้บนมากให้บริจาคทานเพื่อพระผลในปางอันนี้มีอันนี้สองมากยิ่งผู้รับเป็นผู้มีศีลก็ยิ่งมีอันนี้สองมากกราบไหว้พระ น, นักสังเพื่อวัดหน้าเขต อยากจะอยากจะให้เขาว่าดบนในข้อวัดอันนี้สงฆ์ก็กไว้มากการเพื่อมรคผลในความในอันนี้สงฆ์มากปฏิบัติอันไหนของมันค่ะทําไห้ปฏิบัติก็เก่งโลกทำขาจาว่าเรียกว่าโลกาทิพไตทําบุญเพื่อโลกาทิพไตเพราะเก่งขจาว่าทําบุญเพื่ออัตตาทิพไตย เอาตัวอันนี้อันนี้สงก็ไม่มากทำบุญเพื่อธรรมาเทวดาจะคนทุกข์แล้วก็ภาษามทำบุญใช่ทไหนก็ตามทำบุญทำบุญเพื่อใช้อำนาจอันนี้อันนี้สูงก็ไมมากทำความดีทำความดีก็คือบุญทำบุญก็คือทำความดี ความดีในทางพุทธศาสนากฎหมายสุภาษิตปโนเป็นต้นไปบุญในทางพุทธศาสนากฎหมายสุภาษิตปโนเป็นต้นไปต่ากว่านั้นลงมาความดีต่ํากว่านั้นลงมาก็ไม่นับเข้าเพราะเป็นดีในโรกีเพราะบุญในโลกีบุญในโลกีมีเท่าใดดีในโรกีก็มีเท่านั้นบุญในโลกุตรละมีเท่าใดความดีในโลกุตระก็มีเท่านั้นทั้งทังเพเกตนากันเกินาเป็นของสำคัญ แต่ทีนั่นนะพระเวไนยการจะลงโทษก็ต้องอาศัยเกียรตนาสิาก่อนการจะทําประโยชน์ก็ต้องอาศัยเกียรตนาอีกมั่งคันสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกียตนาเป็นของสำคัญมากเกียรตนาทั้งพิเคียวี้ลังวัดามิสมาธิวัฏามิปัญญาวัฎามิตรงนั้นคัน เราขาดินแต่ท้งดว่าเขาตรงนี้ตึกรดักท่ราคา่าหนาแบบเป่อยตรงนี้เว่าเขาบอกว่าห้องปาชนะแต่ห้อตัวคู่มีแง่แต่พร้อมี่พุทธ่นเปิด่อยที่ห้างเปิปยัวก็ปาชนะบางคนไี่ได้างคนจ้ไม่ได้จ้าป่าชนะพันธมันเล็กกว่านั้นเนี่มันควมไปอ่ะมันฝัญ่ามันยังเพื่กันเนี่ย ข้าวหวังเฉยมาเกิดมาตายอยู่ในมาตาสงสารอย่างไรข้าวจังสีเยอะใหญ่เขาปล่อยออยุคตุ้ปีอย่างนี้กันนี่ไอ้เมื่อคำนี้โคบซ้อนในวันนั้นข้าวังว่าข้ามาเกิดมาตายอยู่กรเรียบเขาบอกขาจังสีอยาอยากให้เขามาปล่อยนี่เมื่อข้าังถึงความอิภาคมันกับมีอันนี้สงฆกัดแตมันคำเรียบไอ้นี่คือข้าไปกรุงเทพอย่างนี้ท่านพระทงปราถนาพานลคาง่าามไปร คอนแกนกับพองปรารถนาเข้ามาได้นีมมองว่าปากช่องกับพระตองปรารถนาสารโมรีกับพระตองปรารถนาอายุทยาคับพตะองปรารถนาเลยปรารถนากรุงเทพโรดหมนทางไปหามก็ไปหันเ่นั่นบอกว่าสั่นมากนี่ก็มีงก็มีงานงานอยู่ในใเข้าพมาหัวเข่าแล้วขบวนํางเข้ากับเอานดูาปรารถนาในบ้านก็ะได้ได้นั่นละดีมาก รักตานันโมธนามัยบุญสำเร็จอนันโมธนาสวนบุญหรือเราไม่มีตาง้กักบอกเอ้ยไม่มีตังเพื่อนเพราะปัสนะพระนิพพานด้วยมันก็ได้มันกัน ม, มีตางว่าฉันเ่มีย่งสักแวรร่อยดีกว่าเทาสิเงี้ยดีน้ำแล้วเข้าขาสอส่วนบุญน้ำเข้าไปจาไปพ ร, ระนิพพานมาสั่งแกรได้สินันอันวัดทันเอามาเป็นเครื่องพญานภายนอก วัตถุมันเป็นเครื่องพยานภายนอกแต่ว่ามันดีกว่าบ่มี บ, บม่มีวัตถุอนะ่อนมีวัตถุน่ะการขาดวัตถุมันม้าไม่สะอาดไม่พรบอยู่ห้องก็เป็นคนจนท่านนี่ท่าบ่มขาดขา้อคองผมที่เขาสงสัยว่งเํ า, ามาลดาปฏิมาครับลดาปฏิมาต้องต้องกินอะไรลาปฏิมาสืบเทียบกําลังวา่วาห้วาวกินยาโลดาปฏิผลนี่เพื่อปัญหาโลกแล้ว โซดาพิเศษบ้างอุปมาคือคำล่งปวดหัวแล้วไปกินยาครับเนี่สโซดาพิจศษฝนคือหายปวดหัวแล้วแต่หงบอกเขาคือมาปวดอีกหือเปล้าบอกคือเขาหลบหนีมันสั้นนานว่านอุปมาอานว่าแต่อันกิเลสทุ่มพัสดาบรรละแล้วมันเลยเคื่อนมาละยิบถาวรทั้งหมดมนเยขับรถเคลื่อนยิบถาวรามดอุปมาคือคำล่งปฏีขาซึกกันหน่ียนกหยาบยาบมันตีได้จังหวัดนี่ใช่ไหมครั เทียบเชยมยาเนี่ยแบบริโลกกัหยาบได้สีคาึงกัเป็นเม็ดเป็น้ยเราลองเทียบไฟคุณธรรมเขาใจขันยืดแต่แล้วล่ะกาลังตีนั่นมันเป็นมักนว่านตีได่แล้วมันบอขบ่ขึ้นเกิดน่มันเป็นผลเหอว่านว่าใช่กองมัหยาบว่ามันบอกว่าึ้นดอีกว่านว่เคื่อเหาทอไล่ออกจากปากอย่างนี้ไว้กาลังทอมออกมันก็เป็นมักนะว่านเพราะบอกแล้วมันเป็นผลเว่าน จหางว่าจะเคลือนมาทมอีกเลยหรออันนี้มัดออกอีกเลย ย, ปยกปันคมอีกด้วยเทียบไปก้อนย่างงาควาต้องย่างงาววามักแปลว่าก า, ก า, ากกลังปฏิบัติจะพ้นแปลว่าผลของการปฏิบัติเป็นสั ร, รงเนื้อมว่ากนในตวดาวอินมาทิวันกำลั่ใปิบติใจผงก็ัวละมาวนมันขึ้นต้นทั้งเลยข้นตนทงต่อสู้ภายใาง เึ้นต้นทางภรรยาบุคคลนะครัข้าห้องหองใน้ภรรยาลลบุคคนล่ะพระพุทธเจ้ารับรองแล้วเป็นนิยโตบุคคลบวกกับถอยหลังเคลื่อนมาเป็นทรัพย์เริชานอีกเพิ่มมาบวกกับขึ้นมาเป็นคนทัวร์คนนั้นอีกเป็นทัวร์ดาวังชีอบวกกับเึลือนมาเป็นคนทัวรทนั้นนี่สิ่งเก่านานเลยไม่มีทางถอยหลังมันถึงสาดถึงอะไรกวับบ่ถอยหลังบากใจน่อถึงสะอดถึงอะไรก็ไม่ถอยหลัง ยางตันเจี๊ยบตย่างตันเจี๊บตันใช่กาะจักรโตดาเดยยางตัเจี๊ยบต่าเจี๊ยบตันต า, างตันกับสามตันย่างเลี้ยวกับศาสเดียวแม่พระองค์เจ้านี่ยศาสเดียวยอพอเสียนร่ำปานกับเพิ่นกัไปอยู่สันโดิแน่พระองค์เก้าประเทศเอาเ็าได้ทังพระสวัสดาวอ่ะ เิริรลมาเกิดเป็นแม่พระศิษเมรตายเอกศิริใจเขาสู้เขาได้ควาพผมพร้อมพระศิษาเมรตายองเดียวว่าเกิดซ้อนเดียวเหรอเมกกพิชย์อะไรน่าจัสาขาเขาศิั Systems, um ้นเอกกัปพ no ิชย like. ์น้ารับอินทีย่าเอกกัปพิชย์มันจะเกิกุหลังกุหลักับศินี่อยู่ศิรินร้ายว่าบ้นน่านท่าข้ามอู้ร้ายพ้นมันร้านพ้นละแต่ไม่เข้าเพระเจ้าหข้ากันไดหยุบบ้านเฮ้าเนี่ยมันมี นี่พระสวัสบันอยุยวย่วันแว้งที่ตายไปแล้วนี่พระสวัสบันอยูวนึ่งยาเขียออกสอม่ออกหน้า3พอออกดอน4แม่เทาบักตาน้าน้าข้าแม่ปกากก้อเชินพูดนึงแม่ออกมานบ้า น, น ลัก้าเชื่อมมาเจริญเนียนเน่ยแง่วันไม่วันพระ่านาวนาพะโต้ซึก็สามารถถึงพระห่านข้ามี่เลยแล้พวพระนาตเจ้พโต้สมการที่มีต้น น, น้ำตนี้เลยสามารถ ถ, ถึงอะไรทำสุขใคปัะสาวะโกกับบัลูเนี้ยกระสวัดวันสุขใคปัสสาวโกกับบรูลผู้สชรู้ว่าละจิตของคนไหนนับตั้งแต่พะห่านข้ามีไ่ไป แ่เป็นพระหน้าข้าม่เตวิชโชชละพิโนเป็นสัมพิชปะโตพระอราหันตุขัยปะจกโกก็ว่าสามารถวว่าละจิตของไผ่พราเป็นยังงัมาสนามนบบามันเขานึกทั้งบาปมันก บ, บาปเขานึกไปทั้งบุญมันกับบุญแล้วจะตอบเท่านั้นนึกแล้วแต่เขานึกไปทังบาปเขาก็เป็นบาปแล้ว้าเขานึกไปทั้งบุญเขาก็เป็นบุญถ้าเจาเป็นบาปบอกว่าันได้จะคล้องสำหรัะ ก็อ๋อพระโซรบาลมันกับพระวนานายยังได้ตัวนด้พระศิลานุสตีได้รู้สิ่งที่ตนรักษาเนี่ยแล้วก็แล้วก็พุธทธานุสตีได้รู้ถึงความมุ่งมั่นต่ อ, อาพระธรรมพระสงฆ์ยังได้ตัวไล้เนี่ยคือว่าพระพ่อวานาบันโมเมนเนี่ ย, ม, ยมันกับพระวานายยังได้ค่ะมันทำถือธรรมชาติธรรมชาติเป็นต้นหาเนี่ย ว่างเราเร่มแพ้ในพุทธชาติธรรมาสงังฆาอยู่ลเลยมันก็เป็นนุสติอยู่แล้วเนยเฉวะใ่ไหมนะครัว่าพุทธชาธ ร, รมาสังฆานุสติกศีลานุสติเลยึกถึงฐาง่ตนที่รักษาแล้วอยูน่นี้จาขาดนุสติแล้วลึถึงฐานที่ตนในบริกา์ันมันก็เป็นภาวนาพุทธเี่คนมันมีปัญญามมีสติมัมีปัญญามมีชาติมันก็ตั้งมั่นไน่ถินหาแล้วเนี่ย่บอกว่าสมติอีกบ้นนงนั่งเฉียเงยอวมือวัดเคยังฉวาว่ากับโพด้วย เข้าใจเลยทั้งันนอันนี้นชิวอ่ะนี่ยเพรวาหยีบงามตัวที่บอเพื่อให้เข้าใจสัเนี่พว่าชิวอหยีบงามตัวที่บอกการทุกการห้อังวัดต่อทั้งวัดแยกนี่คิว่าเป็นการห้องเป็นคุรามจนไหนเนาะทั้งัิอะไรันกินอะไอยู่หนเาต่ตอนนัวพันทังทอืได้นได้ท่น้อยสัตมากแล้วทุกคนสัตว์ทั้งใครทันงว่านะกัน ใข้อศัพท์ของพระันเนาะแต่ถเกิดเขาตรวจไปตามนี้บางขั้นม้องตกงนหรือเขาอาจติดการเรื่อเสยใจหรือว่าเปม่รกอกาสในเชีงคือว่าพระเจ้าประัติโลกในตอนพระพุทธเจ้าเปิดโลกในนี้กันละมนุษย์นี่ตัน้าพวกุ่มหลายอย่วขกหลายแตานะพูดเท่าเนี่ยก็พูได้หลายวุ่นกัานะพวกครมันกกล้องเนี่ยหน่อยหลาย จะเขา น, นีนอ น, นีกอ้ยตัดิพย์งยังรอยคนเพ้าะนี่ขันว่าผู้ปราถนาัยเช่งไดมันมันเป็นหน้า ม, มือ น, นั่นจะไปสวมโอโรดด้หร่นจะไปคัดเลือกตอวเล็กอดถึงยุคนั้นเนี่ยไปคัดเลือกเขาเลยก ก, กวที่สางวา ร, รมีกัที่เต็มที่เตือนไปมุ่ผู้ปราชนาวายเช่ไนไรมันทีเต็มมือเอนียวก็าขาดเชื่อๆหรืสายของของมันนักปู่มันคเชือยู่ก็ผู้ปราถนาพจะพุม ก็สายของไยของมันกับปัตนาอยู่บกขาดเลยเั็นราะปตนาสากพุ่มกาลยเายของไฟของมันก็บบขาด้วยถอดเสืบคนพลาดกับสายของไฟของมันเขาเสืบไรขึ้นกันอาจารย์เขาก็ไม่หัวหน้าเขาก็มีเลนมึงต้องเข็ดยังงมึงต้องเข็ดสิมึงต้องทำทาะมึงต้องทำทาสิแล้วก็เขาก็สอนในลังตัวอาจารย์เขา ส่วนนักมวยเข า, ยากยังสอนให้กันด้วยไม่นี่เขาไมี่ไมนี่เขาเมีเขาม้าไม่นี่รับไม่นี่เพราะว่านะเราก็ไม่คู่กันใครฉันมวยดีขโมยก็เพราะอรหันต์ตัวมวยดีขโมเจิดขเรนําปรทับโสันพัฒนาเ ก, กมขโมยอรหันตัพัฒ น, นาเ ก, กมขโมยพัฒ น, นาจนไม่ขี้เหรด รัฐ่ากพัฒนาออกล่แล้วข้าคข้าไม่ก็ละเอยียดไปพัฒนาพัฒนาอ่านว่าพัฒนาสนใจในธรรมชาตความสนใจทางตัวงอยไม่ครอบในธรรมดาวมุขศาสนาได้เนี่ยอือืมได้สิสาธุคัง มาอาย่านี่วันพวพระี่ปุนทพเจ้าไม่ดีนี่เนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่านักศาสนาคนน่งทีว่าดูดบัวอว่าศสนาเดียวกัน้างตั้งนีไปเชวพการตอนนี้เมื่อพระพุทธเจ้าจะมานดรสนทข้าวกจ้าแล้วท้าสมุทรเ้าเตล่าดนี่ จะข้ามสอนเพียนไปแรือล่าร้นนีงเพราว่านักซื้อบริจานาว่าค้าสอนบรได้ตงกัน่ที่รนีาว่าศาสนาบ่เป็นคนลในิายใช่ไหเดานาสอนกันยังพากลีหลักนอยู่บ่จะเว่ามีม่่แต่ว่าคําสอนเพียนกันคะามสอนเพียนกันกันาสอนเถ่อนกันแต่ห่างภาษาผลในขั้นค่หังแต่คําสอนเพียนกัน สันข้ามเสียนกร้ายอเพต้องว่าให้ข่านเพื่อกันใน้ามท่นไรา้องมีบไปเดน่อขารว่าอยากอังจะใครจบพันน้าม่าพัน้ามเป็นเมืองเป็นบูเหไม่เป็นเมืองหรอกพันในข้ามก็ต้องพิจารณาว่านอ่ข้าหวันทนะจหน้าที่บา้ เป็นเป็น่ก oh ็ว่าคือก็ว่าตกระเทือนนะเพื่อดแอออกดออกเพื่อยังไงฮะเนี่เพื่อว่าเขาไเบาใจคือเะว่าเปลี่ยนแปเป็นแนีเปยนโลกเั้มงวันเรเียนที่นเาเนะอ๋อนยังยัง ี่น้องว่าบายมากเลงังอยู่ากพูว่าเว่า้าเป็นงักันคือว่าชาด้พัาว่าถามื่ว่าในระเบดปากชาเอากระนาเอาโดยอะไร่เจอกรนว่าหาะดน้แล้วขก็นาองข้อส่วนในห้องปฏิบัติท่มาจันเราก้เพื่อพลังผ่านอดียถ้มเอาเล่มมันก็บัเป็นปัญหาเเข้าใจบายรับงนหปฏิบัติทั่มนร์หวังเพื่อานเวลาห้องหายานหปดนึกถึงังัน ก็ said, ่ไ hmm ด้เป็น mm. ยังนี่คเราเลือไปอผมตัดสินว่าจะสิ่งไดที่ห้องตอนนี้เราเขากาสนาอ้อคือเยวะมากใน้านจะเป็นห้องตรวขันง่าขันขันันเ้อบนยังถึงวันนี้พ่ออักับแม่เนี้ยปรกาศเฉพาะวันนี้ข้างทีจิตใจที่ห้องมองมืนแ่นี้สบายางแตว่าาได้สระออือจิตใจก็บอกเพราะว่าเรียนวันนี้้อเงิน คระเนรพามันเป็นมันเป็นโรคอุตระเลยหาย่ า, นานเนี่ยคือบ่ได้เนียวถึงพระเนรพาณ์่ามีอันนี้ว่ามีอันนี้สบ่ได้เนียวถึงควผมทุกในวตฏสงสารว่ามีอันนี้สงควผลทุกในวัฏสงสารเกียวกัเนรพาเกี่ยวกัเนียวพรนรพาณ์นี่ ก, นนกัน ก็อย่าง้อย่างนีได้บอกวามเจออย่า้ในความรสึกถามกับผมเลยผมก็ามไปแล้วน้องว่าผมมาถามว่าคือเพราะว่าคณะที่พูดเจ้าเวขันการระโดดที่พูดว่าทำให้ตารกระโดดมันละเอียดลุมเล็กว่าเามาอีกตอนในขั้นเรียนเขาใจว่านี่แบบนี้นี่แบบอเมริกาไม่มีมดวันนี้ประวัติชาวโลกข้างลายว่าเมื่อคณะบรรลุแล้วเขาพูดเรื่องนี้ที่จเงินคนที่เชี่ยวแล้วโอ้ทำาบบนี้เด็กชวลกน่าเมือกันเลยคณะแบบนี้ พระาวกคือวัดศลาเ้านี่ยเบอร์อะไนนคือำเนียของพระพุทธเจ้าคืทำีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเหตุการำเนียมเลไม่น่ารเซเนี่ยอครกทำเนียมำยของพระพุทธเจ้าเหตุการเนียมเ้าากัน่าเกาเนียมกับทำเนียมของสาวกกัต่างหากำเนียของพระพุทธเจ้าต่างหาก็ใจจ้ตัวนกพวกได้ผิดพำผิดกฎหมาย เมื่รบ like so ัดนี้พระองค์เจ้าองทักษเพราะเจ้ามอบบรญยัติก่อนต้นบรญยัติทักษะขันธว่าพพุทธเจ้าบรรญัติแล้วนะครับแไปให้ถ้ำเองก็กระทปิษต้นบรญยัติเี่าะพระพุทธเจ้าปรารถนาเพื่อที่จะสัตว์ออกจากวาระสงสารไปยังเจ้าไปสงสัยบอมาเล้สงสัยถ้ำตามถ้ำเนี่ยมเพื่อหายไม่มีผู้มาอาราธนาถ้ามาอาราธนาตามถ้ำเนี่ยมของพระองค์เก้า เพือพระพุทธเจ้านี่ยด้านทชาดาเอาความบัตรปล่อยากมากถวายพระพุทธเจ้าผมงอหาบาทจะไปแช่บาทของจักขูงจักก็บาตเสียอยู่ทับทายหาบาทก่อนบาทแล้วก็่หนออันนี้ฉันหายถวายทางบาททางทางถาดฉันก็ทับทายที่จะแช่ของจักก็บาตเจ้าของเสียอยู่อันนี้คือขึ้นจักก็ขูงจักว่าเจ้าของ ตีดตั้งเรู้ว่าปวดรักเกี่ยวถางทำทาเธอซื้อทำเนียมของพระองค์เจ้าทำทาอย่างนันพระองค์เจ้าก้อ์ก้อนกันละก็เลยนี่ทามาอาราธนาผู้สี่คงจักบักผลพนผ้านนังพระองค์เจ้ามีอยู่ดอกบัวไม่สีเราคนนันเรานึ่งกับกำลังสิบานเรานึ่งกับรั้กำลังเสมอหน้าพระองค์เจ้าพระอง์จักหมดสีได้ไปให้หนังคนนั้นก็โง่ไปนั่นหลวงจักจะอธิบายไปโบไม่เปเรื่องของใครขงมัน หน้าที่คอยเสียงวนเจ้าเขาเป็นหน้าที่ของข่อยหน้าที่เจ้าสีซ้ำตาใส่เขาเป็นหน้าที่ของเจ้ามงเว่าเข้าใจบวางสมาว่าจะโลการปฏิสามปฏิอันนปฏิพุ่มกัดจันทรียานมันขะไปก่อเท่าไหร คิดเด็กก็เชอแต่เาเนยเวลานเรกเาเวลาเวลาริดกือาคืจะิวาจทำอจะมจิตของที่ไหนมันเคยโกรธมันโมโกรธัแม่ทตัวี่ไหนมันเคยหลบมันโมลกัแม่ท่าตัวที่ไหนมันเคยหลงมันโหลงกแม่ทตัวกัอย่ะ เมื่ยเร็วเขาห้องหุ่นจักสักใช่ไหมการจี่องเราจะคของเอามวนกับโมเมนแล้วสีสมมูลให้จับของการจีหุ่จักสักน่จะคล้องใ่ไหมเมื่อหุจักสักน่จะคของใครสิมื่อหุจักให้ห้าวสารเอาอันนี้มันเป็นสัญลักที่โก้บุคคลทุกคนลุกย่อมเห็นเอเห็นเองขอว่าจนเนี้ยการที่โกไม่มีการไม่มีเวลาเอฮิปัติโก้องเรียกเจ้าของมาดูได้ว่าจะเนี่ยแค่นี้ผู้เขาเขาขัดตัวนะมันจะเป็ม็ดขาวยมุดกรมีเลย พวกพวกเินพวกเชดินสำคัญตัวเป็นพระอรันต์มันเปลนนั่นนี่นั่นเขาขังตัวอะไรก็มันก็มีสมาญาณ น, ะนี่สมาญาณนะมิจฉาญาณนะพ้นผิดสมาญาณนะพ้นถูกยังไมีอีกมิจฉาสติะระลึกผิดมิจฉาสัมมาสติะระลึกชอบมิจฉาสติระลึกผิดคือะระลึกในกามารมณ์เทวทยาในสามารมณ์แล้วเขามิจฉาสติมิจ มิจฉาการนะพ้นผิดมิจฉาสมาธิเพื่อตั้งสมาธิเพื่อหายจากาถากับมิจฉาสมาธิด้ยนั่นเราตัมาเนาะ อ, อันนี้ต้องส่ไม่เอาอิกก็ต้องขึ้นกระลังตั้งเที่ยวนงะลกมนกไลายีะนวไปจะไปยไปยัา รถอะไรก็มาท่อรถมาท่อมะเสียงอะไรมาท่าเสียงมาท่ามาขาม่ให้ยินดีในรูปเสงขินรถปดาพระธรรมลมมาสพระพุทธเจ้าเทศกับพยินดีนั่นเหมืนกับพวกมีเงินเนียว่สนะ ไ hmm. ่ไปไม่เอามันแค่เก so ียดเพื่านมันสนลานเพื่อนเพราะเขาไปมันก็ไม่เป็นห่วงแค่ผู่เพื่นาไปแทะพอห้าวมันก็ไปฟังล้ำจักเถื่อแม่ห้าวมัไปฟังนำจักเถื่อนเห็น พอเห็แม่ไปฟองแมันเจ็บใจบัดใมีสออมียปัญญาพอหอมแม่หอมคนขี้ลายทังหางทั้งมี้ม่ทซอพนเนาะท่านยังก็นแท่านเหมือนกันพอหอมว่หอมทังหางทั้งมีดทังเงินสดม่สซอพนจะให้หน้าเขม่เห็นกับเพิ่นจะเงินสลดของมัสซอพนพนเงื่อนเขาจนเขายามปีเงื่อนพน ี่นักาแสดงนก็เราฟงที่มอนนาะก็นที่จิตนั่งกระจายกายแบบน่ไงกเขาักที่จะเ่าอะไรับบน้นเราฟังที่ยุิังโน้รรมแบนีระาที่จะเลื่อเนี่ยนกระายอะไรไม่ได้รกลับ่ครับพี่าบหล่อพ่อสายกมาลนี้ คิดนคิเป็นส่วการมาร่มมันยินดีในการมาร่มเน่ยะเกิรลอกหยาังงงเียงที่ตทีเากเป็นเสียงธรรมะของพุทธเจ้าเด้่ยไงเสียงธรรมาของสาสราอื่นเพ่อผลประบอกันโอ้ยการมีเสียลมหมยาัอืมนี่นี่ไปสวรรค์เะเมือาันนี้สองของพระเถอะ พ็ดึมันหน้าพอดีเออก้าพอดีแต่ว่าหน้ามันดีแั่ไม่ได้ดึงหน้ามัาน ด, นดีคือนยังคือพระอ่อก้าพอดีมันกับพระตะเกียวอยีกสบ่งว่าพระพุทธเจ้าขันลาวชีวีหลายวันด้วยว่าอัญเชษฐุทเทศเทาสาราเอื่องไม่สามารจะไปสอนไม่ผานได้เทวานิยนาสอนถ้านมิผ่ า, ผ า, านาเนทวาิาาย แม่อน้องแก่น้องแก่ตอนั hmm. mm ้นนี้ตอนนี้ตอนนีตอนนี้ตอนกีอนนี้ตวันี้ตอนี้ตอนสว้ตอนนีนี้นนี้ตอนนี้ตอนน้น้าอนนี้้ตอ้อนนีอยนอนนี้ตอนอนนี้ตอนอนนี้ตอนนีอน้ตอนนอ้ตอนนี้น้ตอ้อนนี้อนอนี้ตอานีอนนือนนีด้อนอตออนนีอนอ้ออตน้้ กิเต้สังเกตุกิเต้ตุกติปาติสังขเอาเถอเอานี่บ่เออกับพอฟังนะแล้วมีแต่าวหน้าอะไรที่มนกาัได้นราปลาเยทำควาอลากาลวาก็ยงม่จบวันน้ำหัวเราตื่เราดเราเอดตื่ก็ได้ใส่ตื่นเรา่นกเยอกไมาัวเราหัวอดอืมเป็นสวรรคโลกดีได้ยังหรอได้ ว่าเป็นสวรรค์โรคพุทธละพมโรคขีกันยังไม่เลยกับพ่มโรคขีกับกษัตริยดาบอุหสกษั์ดาบหมันไม่ร้ายวะก็เพ่งเตะอบกษิติมันก็เพ่งว่าโยกกษิติมนพมโรคขีขนาดกับผ่มาษัตรามโรคหิสมาพอมหม่ามืนพอมโรคขีฝนอยกกระมี่พมโรคพุละฝนโย่ก็ะมี่ ขับนเอาไงเาะเอาเอาอาื่นอันอัขับประเดีย้เราคอ่้เอาอยู่นะนที่ััร่าวพกมันต้องต้อามเงี้ยเง้ยมันเร่องอะรอู่มนัเระไรเรืองอะรเนีขนาดที่นี่เสียงเสียงดัง อันนี้ผมว่ารับรองอันนี้ผมบ่รับรองผมผมพอผมก็ล่วงแท่งว่าไปก็ได้แล้วอันนี้เอาหัตถยก อ, นนอันนี้มาอีกครั้ยกทหารออ น, นี่มาเทียบเท่านะก็ผมเป็นนักฟ้อนนักล่ำนักร ล, กลอกเพ่งเหมือนนในมหาวิทยาลัยต่าง คั้นผู้ใดบ่ได้กับผมไปเขาเสียใจแน่หนากับผมปิ่มปอนหลอกเข า, าสารพัดม้อครับม้อล่ำเนีใ่ให้คนละเรื่องบันเทิงไก่ละท่านลกบดหัวเขาเกาหัวลกบดล่ำเขาก็ะล่ำลกบดฟอเขาเกาะฟอนน้ำเขาดีใหญ่นําล่านน่เอาพนเจีี่อาจารย์ว่าการทําไอ้คนล่ำลเรื่องบันเทิงในหอันศพครบันในหลอกในลําในเพลง เขาได้ไปสวรรค์มันผู้เฮ็ดจักรสัมมันได้ว้อถาำคามส้นเนื้อพระเจ้าของบบบอกความที่สงพระเจ้าของบบบอกทางที่สามพระเจ้าอะไรล่ะนั่นหละเจ้าสิตตายไปตัวหมวหกตัวของเจ้าของมีสามมาล้มโซแหเจาไปเป็นสาสลายเขาเริ่มสิ้นเนื้อถ้ำเขาเพิ่มเขาเพิ่นไปถ้ามุกเป็นตัดเสียดเลยครัมะเทียบได้สิมันจะไปแล้วมันเทีบไปสิ่ว่าจะไปได้แต่ เออเมื่อกับพิ้นแปดเนีรยเ้นแปดแตะเส้นหากับกับพิษเชื่อคิดตากันแือกบพิหลายเพิษทกึ่งังเส้นหากับพิษกึ่ถ้ามอเลีงฟังว่าข้าพระเจ้าขาแพร่มาหนึ่งขาแพะ่สองตัวถ้าบุญห้าพ่อห้าแม่พ่อแม่ตายไป ่อแม่คนนั้นจึงได้รับบ่ทำได้ทาบุญเนี่แต่ว่าทาบุญได้ศาสนาพุทธหรือทาบุญไทยยังพุ่งกับพันผัดพันว่ได้บอกละเอียดถ้าบุญหรือทาบุญไห้พวกศาสนาอื่นเขาประจักษ์เพราะเจี้จีอาจารย์นาการเรีองน้ำซ้ำลานให้พนอิ่มพอนข้อมันได้บุญพ่อแม่คนนั้นจึได้รับอันนี้สองน้าบ่คนนั้นจึงได้บุญว่ ครั้งที่สองว่าปากครงที่สามว่าปากคร้งที่สามคำ อ, อีกได้ปากวาเจ้าศีรษตายไปตบมหาวีรี น, นกรกพรังข <c oughs> ์เสือเมื่อเมื่อเกิดอีกเป็นแพะเขาขายทุกคนแพะหารอยากเลยพ่แมเจ้กเขาได้รับพระสได้ไา่คือเจอี้ยีอาจารย์ตบมาคือข อ, ขอบวกเลยก็ได้บวกบวกว่าโดนแล้กวก็ล ะ, ะัน อันพูดนักควนนักล่ำนี่คือันกระบวดว่าทนโดนทนไรพามนี่รงกดเพราะเตุอะไรยังเปลออันพูดขาขาแมันมันขาพ่อขาแม่ข่าพ่อขาแม่มันกลอ่อนขนนั้นคือเพราะอเจาะตัดขาดทัพตัขาพอว่ารรขันขาพอีดาทเวนก็ดวังปุ้งแกสาแกงมามาเยอะหมูห่าพระคือสงวันนี้จะมาซอดมาถึงหมูหลอกเลยไเจาขาพอทา คำว่าขาพอจะถึงเ่มืกมาขามารับสัตว์หาโพงเก่าแล้วโอ้ยคนหน่อ ย, ยมุขคน แ, นแบบนั้นตาโหดเะไรัอย่างหาควแแล้วโองเก่าเลยนอมันล่วงไปแล้วแท้ก็เป็น้วมำราเทียรได้แต่ก็บอกว่าอยากตกใจว่าตั็เลยทีเข้าไปนเนีย ก็จะจออกไปขายด้าอกค่าทํานท่า น, นที่เขียนผลก็จะชวนกันคำพิเหนึ่งบอกว่าบุนช่วงนันไปได้แค่ทรัพย์กรสัรรสรบไ่ได้แค่ผูธากรสัรเพราะมันมาถามออกว่าออกจีตมันม า, ามท้ากรสับเพื่อหนึ่งก็เจ้าองบริษัทเจ้าของภูมาท่าน ไ, ไม่ได้ไดมีแต่แบบเพือรักถึเป็นคนไรอันนี้ก็ไร ไ, ไ, ไ, ได้กับที่ประเทศไรเราเขาว่า ไม่ือบ่ได้หรกกได้เดี๋ดี๋ยไม่คือบ่ได้หรอได้แตคนไมอืมแคกลุ่มค่าอันเว้นอันบ่กลุมเนี้ยมันกระนั้นสองคนกันเนี้ยเสาก้อนก้อ่ากเขาเขามาฆ่าห้องคืเขาคนละก่นเท่ายังไม่สร้างยังโผล่อยู่เกิดอีกขัวเขาได้สักร้อยแล้ก็สี่ก่ขัวพีโอเคขัว ต่เวลาที่งานใหญ่ดูบ่ายว่ายอยู่เกิดได้ตัวหนึ่งใ่ผมีส่รอกเพื่อนระดับเจลาวใส่ทีเท่าเขาไปใส่เจลาวตัดอัดเป็นอะไรนิดหนึ่งเป็นเพือนเพื่อนคนที่หาแ่้วคืาเพื่อนคนที่เขาไม่กินเราเขเนือใช่เราแค่กินเรา รองก็รองนะสิกบบากเิ่บาปร้ า, ายบบมันคือคือบังคับด้ยบาปพว ก, กนี้จะไปหาผู้ผู้บอกมันอ่ไรเกาถือบังคับเนี้ยทำาปนทานบางอย่างให้ทุกในะปัจจุบันแล้วมีทุกข์ไปในบาปต่อไปเขาลองอยู่ห้องกับวงวันมาไหนนะขเขาไหนเนยหังเสียเย <c oughs> ขาวงวันมาไหนแนละ้วอันเด้อมาเถมใจมาไแลนะ้วมันจะคือปลอบอันเด าาเยอะนี่เงินคันบอกว่าสี่คนสิ ด, ดนนสพิดเพล่งมาผมขอากาาเรียนลงวาผมขอศึกษาหลวงปู่บอกว่าออกมาแล้ว่าหายลองเพลงว่าสันมนพิดสินหาว่าสันแล้ว เป็นไรขอขาเรียนแน่ว่าสั่งคณะว่าให้ผู้อื่นไปจะเพียังไงที่ไดว่อมาบอกเถือว่ากันงซ้อ้าพอังสั่นันะให้ขีก็ได้ยไงอ้ยจะพัดผมขี้ว่าผมอยากอาอยากไอครับตัวสั่งใ้ผู้อื่นจะว่อตอนก็ได้กันเ้ียเพื่อขัูอื่น ผมิดว่านี่ผมตัวกรรมฐานเนี่ยผมอยากเอออย่าไรครับในผมพูดเรื่องธรรมเมื่อเห็นพุยยจู้ใหญ่จูมอะอะเ้ยออเราหนึ่งสราเขาเคยพหญ่ยจูมโอ้ยจะพูดจะถูสัแม่ของผมเป็นีแม่ขาวคนบรห้จินครับวัดสัว่าท่านพระเจ้าครับสาธุาสวนะไรนุบกิจก็เบียวนเนี่วันะเลยเลยวัดวัหไขวัใหข่พุยยจูมปนิกาเขาออาไปแบบนั้นรมง โอ้ยสตุกับแฟนแต่ผมลาสิขาออกมานี่แล้วผมลอยกอ่านละายมากแฟนผมเห็นว่าเสั่งผมอกยกอ่านอยากอ่านพอยากอ่านพจากมาใช้เาะเคื่องเก่ากันเนี่ยเพราะอาหาคือเก่าระดับหนึ่งว่าาบอกเขาสังเอาคนคนเล่าตัวคนเล่าตัวบอกให้บอกง่รอก โอ้ยหยุนประมาะแล้วรับเดี๋ยวนี้มันจะไปร้องกับพวคื่อกองแท้วศันอยากตายกับพนักงานสันจักเป็นยังไงวศันต์จักอียงมาทักให้อาจัยนี่พวกอานหาแน่หรืถูกวศันต์มันก็เรียกว่าตัวเดีมากหรอกเาปู้อื่นไปยังวศันต์ยังมั่มเราวศันต์ครับมั่มเราครับโอ้ยกัพิษกับโลกนั้นขับไปละโลกยังโลกโลกมันบาปเพราะของวิษย์ไห่เพราะมันตัวดอกพิษโลกวศันต์เละ โลกมคือเก่าออกมาเดี๋ยวนี้วาสันเดี๋ยวนี้มัคือเก่าละโลกพิษโลกอะไรโลกอย่งนี้ก็โลกบาปหมดห้องขางมันจะห้องขอามัอธิบายห้างขอเพี้ย อ, อหันแล้วบอสทีิมัวตายอย่างก็รอวาสันใช้สิไปสวรรค์นี่พานอะไรจะคนยงที่มัวราย่างจะมับเขายนัะ เราเรียกนี้กมวนไปใช้ห้อง่เิ่ไหนโกาดีนี่อาจารย์บอล้วนว่าพวกพบเหตตาที่โฉมันเร้อ่อาที่เกนอย่าต่อมูนมาก้มูนมากจะกัดนึกแต่ออ น, น, นี้ก็บผมบอกไปไหนละแต่ว่า ม่ทามวยผู้บอกเขาแต่ว่าย่าเป็นอุจจารับงสบรบ่มันหยาพดเห็นตัวของอางยากยากมาว่าเปลี่นดอกอุจจาระบางสาขนมุ้มา ก, ากเลยมันยังไข่าวาสันดอกอุจจาระบางสรบ่เปลี่นดอกมทางหยามแลหายเป็นตัวขออ้า ง, องอยากขางยากมาก <laughs> มุ้ยใ่ก็แบ้ยเนอไนตัวการผลักไปดิ้งมุ้ยอับอบอับอ๊บอับทุกกดทุกคำออเกิน<อ> เออป๊อปเอาบัดทุกข้อกึ่งงั้นห่อแต่ฉันสันราบยิบเนี่ยไมได้ยิปหรอกนเป็นค้าราชกางก็ไม่เหมาะสำหรับผู้สำหรับผู้จะเป็นพระสัวดาวันไ่เหมาะต้องทำมาชุกซะปันผู้ที่ซ่อนข้อหนาเข้ามันก็เป็นเรื่องนึ่งากนพูดของพระสวดาวันก็บอ บ, บ, บ, บอค <c oughs> วั่นแยกยวกับบควั่นถึงพระสัวดาันนะ อยากกินส ม, มกงกับเขาต้มสักก้อนแถกหรือมกสะกกอนกัน บ, บ, บ, บ, บสีลาบลาบกับสีลาบอะไรเขาลาบาไัว้สักก้อนมกนะมันผ ส, สมชนะเพิ่นมันเค ย, ยคอยากขึ้นโขของยิบสิ่งงูมันนี่คืออะนมาสังเชยบยางเนี่ยก็เพิ่นกับเพิ่นกับมกินก็ตัวอะไรสิ่งน้มันสินมนรู้สึ มันทํานในการยมมวยระหว่านร่งมวยไปห้องอะไรเยอ้าผัดานก็มาช้านองนะบอเข้าหอดพักกับว่าควนกินพักลิฟต์ว่นเขางงัวมันควายในต่มตะกอนตะกอนตะกอนเคื่อนบอหอส่วนหลาบมันส่วนประแดี๋ยวิฟมนก็กระหามอะอย่างน เมื่อกินเข้ามาเปเสียงงากรกจากโคเฮตมันทุกสะพานแห่ากรรมฐานออกมาคดม่งากระไหเขาเดีมไซด์พันอยู่เนี่ยคือแค่หนาพันออกมาผมการชมการชมคือเมื่อกีดียมเสยดายยิ่ลาย่งคืแรงว้มอกมานไรเปลี่ยวมันก็อันเดียวกันมันก็อเดียวก็เสียดายกันหรือเรียกกันเดี่ยเสียดางยังเรียกกัน นเ ย, น ย, ยเสีดาอยากเปรีเสียเนี่ยเขาหรือเป่าเนี่ยนะก็บเม่นะพสดาวันโอ้ยคืองามเสียกูจะเน้นมึงจะแก้ได้ไวสุมกับ่ือกันพระสวดดาวั น, นมื่อโดดันนี้ดันนี้เนี่ยเขาเนี่ยเนี่ยเขาจะจะตอกเนีน่ยเขามันบอ ก, กว่าพระสวดดาวันพระสวดดวันดดนี้เนี่ยเขา พ่อบันเทาประจําภาษาพุทธเอาละนี่มันจะมาสูเล็ดได้ไยสามอะไรกามอย่างหมดจังๆแล้วเอาอะไมารับเมื่อไรปะรักแต่ถูกมั้ยรักแต่รับอะไรจะมาผ้าโตจะมาผ้าลูกค้าเล่นๆน โตมีหา้างนตัแห้เขามันเกิดวัดโตไม่น่าบไ ป, ปนเนียาไวาาัตัวผ้าเขาเรียงๆตนะัวเสืพอผ้าเขาเรียๆเอะเขาใส่ตาเดีผ้าเขาไปเรียงๆว่าปเป็นเราเนี่ยท่านเจ้าตายครับขึขนขออไไน้นเขาเอาศพไปไว้ท่านเนี่ยเขาจะย่งเงินอยู่วะย่างเงินอยู่ดิเมื่อหนึ่งลิตรท่านหนึ่ ง, อนนงเอินชื่อท่านนะพันธ์กูจะไปซื้อเหลก็กมออออาเอ้ยเอเมียเอ้ย ไอเขาให้ถืออะไรก็เขาจะตบนมาบานเจะเาะ่ะ แ, แล้วเขาไปจไปเฮ็ดบุญหาเจาะสั่งฮบุญในวานเจาโอ้ยเมถึงเรีด้เลยส่งแล้วทเฮ็ดบุญหาอะไรอไรเขาเอาเงินส่นไปเรียนบอดอ่อนท่อนเจา ะ, เาะบอดเดือผยังนเหม็นเ ม, น, ม, น, ม, น, มนอยู่ที่อันนันเจ้าเรียนไปบ่มีบ่มีบ่ ม, บมีกาไฟพระได้เรียนเรียกเล ย, เ ย, เยมาห้าพระตาบ่มีกาแฟ หัวเลี้ยวมันโมไปเนี่ยมวลม้วนสายก็ได้คิดหายมันม่ปเนี่ยมวนนะมันโมมันถืกมันโมมันชือถือยักเืออพระพุทธเจ้าบอกว่าคิดผายเด้อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกข้างเดียวว่าคิดหายพระพุทธเจ้าขย่อมแล้วพระพุทธเจ้ายกทองเขาละมวกขลาเอ้ยสาริบุด้วยมาเหเล็น้ํากันเท้เ้ามาเหียญอภาจีว่านกันเท้าเ้ามาท่นท่านนึงก็ไ่ได้ไปเป็นทบาแล้วเฮ้ยเห็นได้ชัพระพุทธเจ้าจเข้าลบถ้า โ อ, โอ้ยมันจริงทนายว่าสมภเจ้าได้เข้าลบถ้าถ้าอันนี้พระพุทธเจ้าเข้าลบเด้่ได้เลนบได้ลวงละเมิดเราเป็นพระพุทธเจ้าอยู่เหนือแล้วครันขันเราไปเรียนอันัหนมต้องได้บาได้เพิ่นได้ว่าในขนเข้าลบถ้าอยู่มันชิหายจะพระพุทธเจ้าเรียนยังชิบหายอย่างันอันเห่านี่พูดภาาอี๋ยังฉันบอกขัก็พ่อราพระพุทธเจ้าพระรหั่างรับมาเรียนกันกันชิบหายรอดท่านนง้เราไปเนลุงาลดแก้พาลดบอกขันว่า บาทก็ว่ได้ล่ะไปบินถ้าทาันอะไรวนไรแมดีก็เล็กก็เบิอวันนี้ดีก็เล็ก็เบิกแบบายนตัว่อางเี้ยสื่อสายอ่างง้สื่อสาแฝงได่าง้ยนอจยหัวมันมันนี่จะม้วนตัวเล่นมาเน่เอ้ามันได้ยังเงี้ยหนึ่งยังสองยังสายังเอาหาเบิ้งโลกวาอวดโลกนุ่งม่านนี่เนของเล็กอย่างเีนั่นนั่มเตมือเห็นตัวหรอนั ยักน้อยก็ไม่ได้สินค่าขิงชาวอีสานว่ามึงอะผมไสินทายอลน้งเอเห็ให้เสียให้เลนหน้าเสียหน้าเดี๋ยนี้เสียบัดก็บอกว่าฮักลูกฮักร้านพักลูกร้านเล่นเบี้ยเล่นวัดเล่นเบอร์เล่นเลือกปั่นให้ก็มัดให้ปั่นหน้าให้ก็มัดหน้าแหละเขาบ้านตายตงัดกอนนี่สุดที่ โอ้ยม oh, ันมันก็จะบาดเกาตัวห um> ันจะว่าเขาสห้าสิีมือไปซําไหเขาบอกให้เห็นเขาหน่อยคะแนนเขาโหลดถ้าเขาจะไปไห้จักมือเขาบอกให้เห็นเขาหน่คะแนนเขาโหลดกอน้าเขาจะไปไหจักมืออมอไรอไรนัดสินได้ในทั้งที่หายหนาเดียวองคตกโหลด เสียสิตัดสิมาไหนไ่นี่ยเสยิ่งตัดสีมอไหไมเสียมันหอนมันหอนเอเห็นได้ซับกิดเรื่เขาบงจับไฟู่้ถามกับพี่บาวู้ตอบก็บพี่บาวั่านเลขนี่ยมันเสียมันจังเสียมันจักขี้ผายท่านเขบงกจับเลขผู้ถามอะไรผู้ตอบกับบงกาจัเลขท่ันเห็นจะท่ามันขี้หายมันไปยังเห็นจมาทมันจีบหายเห็มันขีบหายผลนไปขี้ผายพักกระดองมันเปยังจะขมนะเหันเห็ดมันขมผลมันกระผมมันกระโดนล่ะ บราเพชรมุ่นแล้เขาห่อมุ่นแล้เขาอก็บบเพกันเดียวกันโม้ตัวอะไรสางหางา้ําเร็ยกน้ำผพาน้าบัดน้ำเบอุกแขนเนียันอไพ่อม่ับหนว่ามัเบ่อหรื่็ลยจะเสียแ้วก็ส่งน้ำหักเสียเพราะว่าขายเอนันนน ก้แขนกังวดนะก้อนขาขังวลนะก้อแขนก้อขามันนักโคนะกตำลึง เ, ลงเหมนตัวแต่โบราณเพื่อนนับซักำลึงเาไก็เนี่ยซีตำลึงเขาไม่ลายบาทเยอะนะเงินจะแท้และเงินจะโบรางเมื่อกี้วัวดเอาไปขายเหรียเล็กวัดแวนวังม่บนบ่นแ่น 哎，别别，我我咧，别来叫叫买单，帮我参谋一下，是。快快快，持着，老姑，老爹在干嘛呢？妈跳关了，妈在忙，老姑在忙，没闲着呢。对不对？哦哦，仰观呢？见不？不，快，快帮闪快，快快点，快点，哈？帮老汉，帮老汉。 ก็ลุก็้ผ้าอนี่รือาวานเกาไมู่อมาทางนีมันบางน้แ้ว้องอไหนทำผีไหนเข้ารูยืนยงเลยกระดอกมัน่ได้ฟังดีคืออะผาานมาื้อเนี่ยกระดาเดียวเนเลยตอ้เนผู้ชาก็ไปแล้วปอเถึงผาเกิดส่้รลงา ไปีาางูเยูาวว่าบไดลุงูเด้อแล้วเดี๋ยวานจับยต่ใจภาว่าตอนนี้อาจาย่ห่แล้ว่เขาปนแรหอ่าหรือเปลผ้าลายเาวายังเป็ลา่มได้องเข้าได้หาทีเพ่อเา เราา้ครับพอพวกู้ขาไปถึงาคนทีห่งนะวเาไ้เ่หาน้นะครับาทียมชีวหมอืมสอคือกายกับใจสามคือกายวายกายใจสี่คืออะไรคือทาตสี่ห้าคืออะไรคือสินห้าหกคืออะไรคือตาหงจมูกเลี้ยงกายใจเจ็ดคืออะไร คืออธัษฐานชิกามค้าแปเก้าคือมักคีพ้นศีนิพพานหนึ่งสิบคือกุศลกมุตติสิบ1เอ็ดคือเอคาทัชะปณิชาสมุบาท12ิบสองคือทวัสสาสาลังในธรรมจักรภวัตนาสูตร1ิสามคือเตรษสัตตุลง1ิบสาม ถ้าโลกตั้งกฎปีนเกลียวพระพุทธศาสนาย่อมไปไม่รอดโฎหมายโคตรหมูโคตรพักโคตรพวกถ้าปีนเกลียวพระพุทธศาสนาก็ไปไม่รอดยกตัวอย่างเช่นพวกที่ถือไม่ไม่มีบุญไม่มีบาปเขาไปไม่ได้ไปไม่รอด ใส่เลื่อดเดินล่องล้นทุกครั้งในในดินล่องล้นอนัตตาไม่ต้องใส่ไม่ต้องต้องใส่เลยนาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยกายเป็นกายสักว่ากายไม่ใช่สัตวบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายานุพัสนาเวทนาเป็นกายสังวรเวทนาไม่ใช่สัตวบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงเวทนาอนุพัสนาเป็นเพียงดวยอารมณ์ ใจที่เศ้ามองหรือคของแพล่วเป็นแต่สักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงคิดตาุพัฒนาทำที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่บังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าทำนี่ก็สกว่าทำไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมานุขศาสนาทำคําสอนของพระบรมศาสตร์ยามีมากมายหลายรุนถ้าเราจะเอาหวัวใจของพุทธศาสนาะคือหวัวใจพระพุทธเด้าแล้ว เราจะภาวนาอย่างไงที่จะไปทางรัตพิจารณาทุกข้อมอบลมห้ใจเข้าออกพิจารณาอันนี้จังพ้อมอบลมหาใจเขาอพิจารณาสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพ่อมพบลมหาใจออเมื่อเวลาเราใกล้จะกายเราจะจะพิจารณายังไงเป็นแก่สักว่ารู้เป็นแก่สักว่าเห็นพ่อมอบลมหาใจเข้าออกน่าสงใจคืินน่าสงผู้รู้ผู้เห็นคืินไม่จะดถือผู้รู้เป็นตนจนเป็นผู้รู้ เม่ยึดถ so nice ือใจเป็นชนชนเป็นใจใจก็เป็นเถสคว้าใจเมื่อใจมีพูดไปยึดถือเป็นเจ้าของแล้วใจก็ไมาว่าเขาเปเจ้าของห้องแหนอยู่ใจก็ต้องไปถือปฏิสัทธิ์อีกถ้าไม่มีผู้ยึดถือเอาใจเป็นเจ้าของเอาผู้ลูกเป็นเจ้าของแล้วใจก็ดีผู้ลูกก็ดีก็กลายเป็นโมฆะไปต่างคนก็ต่างอยู่ผู้ลูกเป็นเถสคว้าลูกใจก็เป็นเถสคว้าใจก็จบกันลงเพียงนั้นวิญญาณปรฏิสัทธิก็ไม่มีไม่ได้เกิดแก่จะตายอีกเลย เรา<ะ>พิจารณาร่างกายเป็นอารมณ์เพราะเราจะฟังทำอะไรจะเงียบหูลงฟังให้คลาดสามเราจะเข้าไปในหมู่ด้านกลางสงฆ์ธกลางสงฆ์เราจะทำความยำเกรงกับทุกสุขผู้ อ, อ่อนพรรษาหรือแก่พรรษา จะไม่คุ้นเชือ่อจะทําตนให้เป็นคนใหม่เสมอๆมีสามข้อเออถ้าอย่างนั้นก็บวชสะพระบรมศาสดาก็เลยบวชโ ด, ดยโอวาทสามข้อบวชพระมหาคัตป า, ภาบวชตางเพื่อถ้าเธอสมาทานอย่างนั้นเธอก็บวชได้แต่ว่าพระมหาคัตป า, ภาบวชตางเพื่อนส่วนนอกนั่นก็เองหิภูเขาธรรมทาน ท่านจงเก็นระคือมาเถิดทำเราข่าวดีแล้วท่านลงประพฤตประมจรรย์เถิดผูที่บวชทุกคนหมดด้วยเอาีให้บวชพิจูประชธมัทานั่นเพราใสาชาติก่อนเคยได้ให้ทานบมดิร์านแปดแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแก่สาปนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงบวชเอฮีผู้บวชพิจูัมัทานแล้วโยมชี้เลนเลขขอชีพหายเนาะ อย่าทะเลนอเรียกนอขัดมันมันมันขัดต่อสุภิญโญสุภิญโนไม่เล่นเล่ห์น้อโขนเอกพ่อบรมสารีรัตทายไว้เชี่อฟังหาเดียวไม่มีทางอุทธรเลยสมมุติเราพระบรมสารีรัตน์ก็ดีพระมหาคัตปะก็ดีพระอานุนก็ดี พรทาสีบุญวอกคาาก็ดีเออวันนี้จามาเล่นการพนานกันเถิดเอาทีวอนอาบัดกันทางหนึ่งเขไม่ไปีนวินถบาทละเพราะมันมีผ้านุง่งเพราะมันมีบาบเงินชั้จจนเขารบรมิสัตสดาจึงเคารพทำถึงท่านเป็นผู้แต่งทำไม่ใช่ท่านอยู่เหนือทำท่านเคารพทำอยู่ทำฝ่ายบาบท่านก็เคารพไม่ล่วงละเมิดทำฝ่ายบุญท่านเค า, ขารพพาลูกหลานทำ ทาไฟมาขวนไม่ผ่านท่านก็พาลูกหลานทําเพื่อทํำให้แช่ในกิเลสท่างหลายเราจะไปเก่งกว่าพระปรมาสสาไม่ได้พวกเถื่อมันมีบาไม่บุญพวกที่เข้าไม่ถึงพระพุทธศาสนาลัที่ใดๆในแต่โลกธาตมันเป็นเมืองขึ้นศาสนาพูดหมดอยู่ในตัวคําสอนใดๆในโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นคําสอนของพุทธศาสนาอยู่ในตัว ไา้ก็เฉ็ยทิศเฉียทิศจะมีกี่ด้านล่านก็ชี้ไปในทางทิศเหนือหมดโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอน ใ, นใดๆในใจลกกระทาก็เป็นเรงขึ้นคำสอนพระพุทธศาสน า, าโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้น่ะเทียบในทางลึกซึ้งให้คํานึงได้ห้ายทางนงพ่อห น, น้องคลองเมืองบางตสส่างไรลงสูงมหาสมาุทรทโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆในใจลูกกระทาก็ไหลลงสูง่คนนําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีก เพราะมันจริงอยู่ยังกว่าอริยสัจธรรมเราอยากไปสงสัยเลยจริงไหนที่เป็นเกลียวพพุทธศาสนาเราอย่ไปทำไม่เจริญอาภัพอัรรีค้าขายก็ต้องมีขอบเกตค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายจับเป็นเรนเนอร์สัต์ที่ตัว่าพื่เป็นอาหารค้าขายนำา้ำมาค้าขายยาพิษ การค้าขาย า, าอย่างนี้ไป็นความของสาวโลกให้ประกอบสมบัติของสาวโลกข้าพการประกอบด้วยสภา <c oughs> เชื่อในพระพุทธธรามพระสงค์มีศีลบริ ส, สุทธ์ตามสถิธิกําลังของตนไม่เชื่อมงคลถึงข่าวคู้เชื่อคำไม่เชื่อมงคลไม่แสวงหาเศียรบุญนอกพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนาชาวโลงต้องตั้งอยู่ในสมบัติข้าพการและเว้นจากวิบัติข้าพการ ซึ่งตรงกันข้ามเราเกิดมาเพราะพระพุทธศาสนาอยากให้เสียทีอยากให้เป็นมดแดงพ่อมะมว่วงเราต้องเอาเอาคําสอนของท่านเป็นทรัพย์สมบัติศรัทธาทรัพย์ความรายต่อบาปเป็นทรัพย์อันหนึ่งความกลัวต่อบาปเป็นทรัพย์อันหนึ่งความสำนึกตับฟังธรรมเทศนาเป็นทรัพย์อันหนึ่ง การสละสิ่งของว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสมณะชีพามท่านผู้มีคุณ <c oughs> ก็เป็นทรัพย์คุมหนึ่งความจําทรงธรรมศีลปาวิทยาไว้ก็เป็นทรัพย์คุมหนึ่งความรับรู้ว่าเป็นประโยชน์นว่าเป็นประโยชน์ปัญญารับรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นเป็นประโยชน์ตลอดถึงเชื่อมัคคุนิพานปัญญาอันนี้ก็เป็นทรัพย์แต่ละคุมมละคุ้มละคุ้ม ทาเป็นที่พึ่งของตนศีลก็เป็นที่พึ่งของตนกัญยาณมิตตาเว็มผู้เป็นผู้มีเพื่อนในงามสพรวาจัตตาคนผู้วาง่ายขอ ง, ง่ายจิงกรณีนนสุทกักตาความขยันเอาใจใส่ในกิจธุระของเพื่อนบ้านร่วมกัน ถ้าเชื่อเพื่อให้เป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นทำรมเป็นที่พึ่งของตอน